เพราะฉะนั้นจึงได้มีเรื่องเล่าในฝ่ายมาหายานเรื่องหนึ่งว่ามีพระอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงได้เดินทางไปถึงเมืองหนึ่งมาหาอามาตยของเมืองนั้นก็เข้าไปหาขอให้ท่านแสดงธรรมท่านจึงเอาน้ำ มาเทลงไปในปั้นน้ำชาหรือในถ้วยน้ำชาซึ่งมีน้ำเต็มอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังเทน้ำลงไปในถ้วยน้ำชานั้นอยู่ต่อไปมหาหมาดผู้นั้นยังได้ถามขึ้นว่าทำไมท่านจึงทำอย่างนั้นท่านก็ตอบว่าก็มืด ถ้วยนี้เต็มอยู่ด้วยน้ำแล้วจะเอาน้ำอื่นมาเทใส่ลงไปน้ำก็คงไม่เขา้าถ้วยนั้นอยู่นั่นเองมหามารนั้นก็ได้สติเพราะได้เข้าไปหาท่านด้วยจิตใจอันเต็มด้วยทิธิบาณนะทํานองว่าจะลองภูมเรื่องเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงมีจิตที่อ่อนโยนลง รอมที่จะฟังพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์จึงได้แสดงธรรมสั่งสอนต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงว่าวิธีต่างๆที่จะเป็นการระ ง, งับทิฐิมานะของผู้ฟังนี่แหละคืออิทธิปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าจะต้องทรงกระทาก่อนไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้อง แสดงฤทธ์เหาะเหินเดินอากาศอะไรต่างๆนั่นคืออิทธิปาฏิหาริย์ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นหมายถึงทุกวิธีจะเป็นวิธีใดก็ตามอันจะเป็นเครื่องที่ทำลายทิฏฐิมานะของผู้ฟังที่จะโปรดให้ได้เสียก่อนและเมื่อผู้ที่จะโปรดนั้นมีจิตใจอ่อนโยน พร้อมที่จะรับฟังแล้วจึงทรงสแสดงธรรมคำว่ามีจิตใจอ่อนโยนพร้อมที่จะรับฟังหมายถึงปราศจากทิฏฐิมานะและก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะต้องเชื่อก่อนฟังไม่ใช่หมายความอย่างนั้นไม่ต้องบังคับให้เชื่อก่อนฟัง เป็นแต่เพียงว่าพร้อมที่จะฟังพร้อมที่พิจารณาธรรมะที่ฟังเท่านั้นดังนี้เรียกว่าพร้อมที่จะฟังคือตั้งใจฟังยังไม่ต้องเชื่อก่อนพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนและธรรมะที่ทรงแสดงสั่งสอนนั้นก็เหมาะแก่อุปนิสัย วัสนาบารมีของบุคคลที่ได้อบรมมาเพราะพระพุทธเจ้ามีเพรนอย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเรียกว่าเป็นอาเทศนาปาฏิหารดักใจได้เป็นอัศจรรย์แล้วก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนซึ่งเป็นข้อธรรมะปฏิบัติต่างๆอันเหมาะแก่ วาสนาบารมีของบุคคลที่ได้อบรมมาก็เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์สั่งสอนเป็นอัศจรรย์ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้มีแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกครั้งผู้ฟังจะต้องได้รับผลแม้ว่าจะไม่มากคนก็ตาม ก็ะในบางครั้งทรงมุ่งที่จะทรงสั่งสอนแกบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ก็มีผู้อื่นฟังอยู่ร่วมกันเป็นอันมากผู้ที่ทรงมุ่งทรงสั่งสอนนั้นได้ฟังธรรมะที่เหมาะสมแกอัธยาศัยวัฒนาบา ร, รมีของตนก็มีความเข้าใจได้ดวงตาเห็นธรรม แต่ว่าผู้อื่นนั้นก็ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดังที่มีแสดงไว้เป็นอันมากเพราะฉะนั้นความพร้อมที่จะฟังโดยที่ละทิฏฐิมานะมีจิตใจอ่อนโยนดังนี้จึงเป็นประโยชน์ในกาฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้า แม้ที่ผู้อื่นนํามาแสดงอันจะเหมาะหรือไม่เหมาะแก่อุปนิสัยวัสนาบารมีของตนก็ตามเพราะผู้ที่แสดงนั้นก็ย่อมจะไม่มีปาฏิหาริ์เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้จึงต้องแสดงไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้ก็อาจจะเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างแก่อัธยาศัย วัสนารรบารมีของทุกคนแต่ว่าเมื่อตั้งใจฟังแล้วก็ย่อมจะได้ประโยชน์มากหรือน้อยเป็นการเพิ่มเดียงสาให้แก่จิตใจของตัวเองคือเพิ่มสติปัญญาของตัวเองให้มากขึ้นไปโดยลำดับอันความที่รู้เดียงสานี้มีใชยวัดเฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่เองถ้าหากว่า ไม่มีสติปัญญาที่จะควบคุมตัวเองได้อย่างเพียงพอแล้วก็ชื่อว่าไม่รู้เดียงสาตามสมควรเหมือนอย่างเด็กเช่นเดียวกันเพราะความรู้เดียงสานั้นขึ้นอยู่แก่สติปัญญาที่ทุกคนจะต้องอบรมให้มีขึ้นสำหรับที่จะควบคุมตัวเองจิตใจของตัวเองให้ ดีขึ้นโดยลำดับตั้งต้นแต่กิริยามัญญา ต, ต่างๆตลอดจนถึงจิตใจที่สามารถเว้นการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติอันแสดงออกทางกายทางวาจาต่างๆอันนับเข้าอยู่ในข้อศีลดังที่กล่าวมาแล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้ ก็ต้องเนื่องในจิตใจเพราะฉะนั้นยังต้องปฏิบัติในขั้นต่อไปคือหัดที่จะทาจิตใจให้สงบได้สงบได้นั่นก็คือว่าสงบจากความดิ้นรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายนั่นเองีสน้นนับว่าเป็นข้อปฏิบัติ อันทำให้จิตใจสงบได้ในขั้นแรกคือสงบได้จากเจตนาคือความจงใจที่จะกระทำอะไรต่างๆอันไม่เป็นปกติไม่เรียบร้อยไม่ดีงามตั้งแต่ขั้นธรรมดาจนถึงขั้นที่เป็นโทษเป็นผิดอย่างแรง เป็นการผิดศีลโดยตรงที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่ในขั้นศีลห้าเป็นต้นดังที่กล่าวมาแล้วจนถึงควบคุมกายวาจาจิตให้เป็นปกติเรียบร้อยยิ่งขึ้น<ม>ก็เป็นอันว่าต้องอาศัยวิรัตคือความตั้งใจงดเว้นเป็นหลักสำคัญของศีลประกอบด้วยสติปัญญา อันเป็นความรู้เดียงสานี้ควบคุมกำกับให้มากขึ้นและในขั้นที่ถึงจิตใจโดยตรงคือทำจิตใจให้สงบในภายในมากขึ้นนั่นก็คือขั้นสมาธิคือความที่มารู้จักฝึกหัดทำจิตให้สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้ สงบจากความคิดต่างๆที่ฟุ้งซ่านที่คิดไปอย่างน้นคิดไปอย่างนี้อันเป็นความฟุ้งซ่านต่างๆนับรวมเข้าก็คือเป็นไปด้วยอำนาจของความอยากบ้างความใคร่บ้างความโกรธบ้าง ความหลงบ้างซึ่งบังเกิดขึ้นในจิตใจในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็มาหัดทำจิตให้สงบจากอารมณ์จากความคิดฟุง้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นหัดให้จิตรวมเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียวเหมือนอย่างว่า การที่จะฟังอะไรก็ตั้งใจฟังในเสียงที่แสดงจะเป็นวิทยาการหรือจะเป็นคำสั่งสอนดังที่แสดงอบรมอยู่นี้ก็ตามรวมใจเข้ามาฟังเสียงที่แสดงนี้ให้ได้ยินทุกคำ แล้วก็พิจารณาให้เข้าใจถ้าจิตใจฟุ่งออกไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องนั้นไปคิดถึงเรื่องนี้ต่างๆแล้วหูก็ดับเมื่อหูดับใจก็ดับสติก็ดับปัญญาก็ดับเพราะไม่ได้ยินถ้อยคาที่แสดงนั้นจะอ่านหนังสือก็ตามก็ต้องรวมใจเข้ามา อ่านคือลูกตาที่ดูกับใจจะต้องอ่านหนังสือพร้อมกันจะอ่านแต่ตาใจไม่อ่านก็ย่อมไม่รู้เรื่องอ่านไม่รู้เรื่องหรือว่าจะหลับตาเสียไม่ดูตัวหนังสือจะให้ใจอ่านก็มองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันจึงต้องลืมตาดูหนังสือแล้วใจก็ต้องตั้งฟัง และใจก็ต้องตั้งอ่านให้ตากับใจอ่านหนังสือไปพร้อมกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะอ่านหนังสือรู้เรื่องในการฟังก็ต้องให้หูก็ฟังใจก็ฟังหูกับใจต้องฟังพร้อมกับหูจึงจะฟังรู้เรื่องใจที่ตั้งดังนี้คือใจที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการหัดทําใจให้เป็นสมาธิได้ในสิ่งใด ย่อมจะได้ปัญญาคือความรู้ในสิ่งนั้นเมื่อมีสมาธิอยู่ในการอ่านหนังสือก็จะได้ปัญญาคือความรู้ในหนังสือที่อ่านเมื่อมีสมาธิในการฟังก็ย่อมจะได้ปัญญาคือรู้เรื่องที่ฟังและเมื่อมีสมาธิอยู่ในนามรูปอันเป็น ที่ตั้งของปัญญาก็จะย่อมก็ย่อมจะได้ปัญญาในนามารูปจะรู้ไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในนามารูปดังนี้เพราะฉะนั้นความควบคุมใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากและโดยเฉพาะย่อมจะควบคุมกายวาจาให้เป็นศีลได้และ ทำให้ได้สมาธิทำให้ได้ปัญญาที่ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบตั้งใจฟังและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพ ร, ระภูมิพระพาคอรหันตสมมาสมพุทเธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทางประธรรม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 พุทธศาสนาต้องปฏิบัติให้ถึงจิตจึงจะประสบผลและก้าวหน้าไปสู่ความสิ้นทุกข์ ได้โดยลําดับการปฏิบัติให้ถึงจิตนั้นก็ต้องตั้ง ต, งตนตั้งแต่ขั้นฐานขั้นศีลสืบถึงขั้นสมาธิขั้นปัญญา อันรวมความว่าให้เข้าทางแห่งอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้หรือว่าเข้าทางบารมี ทั้งสิบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญการปฏิบัติเข้าทางบารมีนั้นก็ตั้งต้นแต่ทานการให้การบริจาค ต้องปฏิบัติให้ถึงจิตคือให้จิตสละโลภมัจเริยให้จิตบริสุทธิ์แม้จะให้น้อยก็ตามเมื่อจิตบริสุทธิ์ก็ชื่อว่ามาก ให้มากถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ก็ชื่อว่าน้อยจิตที่บริสุทธิ์นั้นก็หมายถึงมีใช่ให้เพื่อเพิ่มโลภะแต่ว่าให้เพื่อที่จะชำระโลภะความโลภอยากได้มัจฉริยะ ความหวงแหนรณีเหนียวแน่นเป็นการสละจิตคือสละทางจิตให้จิตบริสุทธ์ดังกล่าวเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าจิตประนีต จะให้เพียงนิดหน่อยเมื่อจิตประนีตวัตถุที่ให้นั่นก็ประนีตจึงได้ผลมากและผลมากที่ได้นั่นก็หมายถึงผลทางจิตใจคือความบริสุทธิ์นั่นเอง พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงอริยมรรคทางมีองค์แปดเป็นหลักแห่งการปฏิบัติในพุทธศาสนาทุบเข้ามาก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ศีล ส, สมาธิปัญญาทั้งสามนี้ก็ตั้งขึ้นในจิตท้งนั้นต้องให้จิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นศีล น, นั่นก็คือว่าจิตเป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ประกอบด้วยความสงบกายสงบวาจาสงบใจจากบรรดากิเลสอย่างหยาบอันจะเป็นเครื่องหนึ่งจิตให้ก่อเจตนาก่อกรรมที่เป็นบาปอากุศลทุจริตทั้งหลาย จิตเป็นสมาธินั่นก็คือจิตที่ตั้งมันอยู่ในทางที่ชอบเป็นจิตสงบจากนิวรคือกิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นในใจทำจิตใจ ให้ชอบให้ชังให้หลงไปต่างๆในอารมณ์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจึงตั้งมันอยู่ในอารมณ์ของสมาธิถอนจิตจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเดสเหล่านั้น ึงเป็นการตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบและเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่สว่างเป็นจิตที่โปร่งมองเห็นเหตุผลที่เป็นจริง มองเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายจึงส่งขึ้นไปสู่จิตที่เป็นปัญญาซึ่งเป็นจิตรู้จิตเห็นเมื่อกล่าวโดยสรุป ในทาง ร, รมปฏิบัติก็เป็นจิตที่รู้ที่เห็นบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงเป็นจิตที่รู้ที่เห็นในทุก ในสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ในนิโรธความดับทุกข์ในมรรคทางปฏิทิงความดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ เมื่อนำตนเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาให้จิตเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาดังกล่าวก็ชือว่าเดินเข้าไปในทางอริยมรรคของพระพุทธเจ้า มีใช่ดำเนินไปในทางของมานถ้าเดินออกนอกทางอดียมัต ก, ก็ย่อมถือว่าดำเนินไปในทางของมานก็คือกิเลสสมาร์ อันได้แก่เดินทางไปในทางของตัณหาความดิ้นรนทยานอยากหรือว่าในทางของราคะของโลภะความโลภอยากได้ในทางของโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองในทางของโมหะความหลงเมื่อเดินทางไปใน ทางของมานดังกล่าวนี้จิตก็จะเป็นตัณหาจิตก็จะเป็นราคะหรือโลภจิตก็จะเป็นโทสะจิตก็จะเป็นโมหะดังนี้ก็เป็นอันว่าเดินไปในทางของมาน เพราะว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติที่อ่อนอันหมายถึงน้อมไปได้ไง่ายทั้งในทางดีทั้งในทางชั่ว เป็นธรรมชาติที่ควรแก่การงานก็ได้ทั้งสองทางเช่นเดียวกันแต่ว่าธรรมชาติของจิตที่แท้จริงนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นธาดรู้ และเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือผุดผ่องดังจะพึงเห็นได้ว่าเมื่อปฏิบัติให้จิตเป็นศีลเป็นสมาปัญญา จะปรากฏความผุดผ่องของจิตคือเดินในทางอริยมรรคและจิตก็ควรแก่การงานอันหมายความว่าปฏิบัติได้ เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปปฏิบัติได้ไม่ยากปฏิบัติได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าจิตดำเนินไปในทางของมนัน ก็จะเศร้าหมองไม่ผุดผ่องแม้ว่าจะได้ผลเป็นความพอใจอยากผลต่างๆ จากอารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาะพอใจต่างๆเป็นนันทิคือความเพลิดเพลินเป็นความติดใจยินดีอันทำให้รู้สึกว่าเป็นสุขเป็นความสำราญ เป็นความชื่นบานสนุกสนานแต่ว่าอันที่จริงนั้นความเพลิดเพลินยินดีพอใจสนุกสนานรื่นเริงต่างๆนั้นตั้งอยู่บนความเศร้าหมอง ไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์อันแท้จริงในเมื่อมาปฏิบัติธรรมคือเดินในทางแห่งอริยมรรคได้พบกับความสุข จากการเดินในอาเดียมัก